ไม่ทราบจนกระทั่งปัณณีได้ทรามันตายแวยิ่งดูพรเขียจบแล้วยังไม่รู้นะนแล้วบางแก่พัฒน์นอนบ้านดูถือนอนละหลวงพุทธีเดียวหลวงพุทธีใหญ่สองท่นท่านสาวกเป็นเพลียอยู่ก็เก่งเมตตังเมตตังอะไราบนั้นเมตตังอะไรลาวัสเซก็หาหนับเลยไม่นานจริงๆอ่ะ ผมฟังนีสังเกตคือบอกนอนทำไมเหี้ยนจันจนอนท่องหนัือทำไมพอนอนอนหลับเนี่ยผมไม่หลับผมว่าันะไม่หลับตายไงนี่กับเข้าใจว่าเป็นคนตายได้ยินห็มองที่น้ใจขอกองนั่นมาปฏนเสธไม่เลียงั่นนะความทิพย์ขนาดนี้มันสมัดสมถมอะไรอย่างนั้นจนเรคิดนะ ทั้งที่เราผมไม่รู้ว่าทําไปยังไงอะ่ะทำไมมิ้ไม่ยอมรับความกินยอมรับความกินแค่นั้นมันเสียหายอะไรนอกจากความไม่ยอมรับนี่เป็นความเสียหายอย่างมากเท่านั้น ไ, ไ, ไ, ไอ้โลบะใหญ่แมวจะหยบไปเลยทุกทีมันไปถึงไหนมาจ้ามันไม่ถึงครึ่งนะมันหลับแล้วนะท่านหนึ่งก็ มีตะกร้าใหญ่บวชนยนอนทั้นบนไปท่องที่รูปเขยแล้วเพรอะวิรูปเขยมันท่องไว้ดั้งกตมันมาเป็นหน้าบวชมันไม่เคยจบไปไหนก็ไม่ได้วิรูปเขยไม่ไปตังเป็นคู่ลับมันน่ะเราก็ขึ้นไปชั้นบนมันเราก็ไปยินเสียงมันเราชั้นหลังเนี้วิรูปเขยไม่ไปตังมันไปถึงไหนแล้ว นิ่งเงียบมั่วไเห็นมั่วเลไปตามช่องบันไดมันจะไฟสว่างไหรับจากไฟอยู่แล้วรับไปตั้งของแต่อข้งบนเพดานมันเป็นคอนกีตมันกีตไม่เป็นไรนะมันจะรับจากไฟกับพงไม้แต่พื้ น, นไม่เป็นไรนะพื้นเป็นกระดามหลับไฟพงไม้ ไม่นานนะฟังเสียงป่าวว่ามีดูผกเขวเลู้กวเรเบิดงเออบ้าเบิงบ้าเฮ้แบบะียงมันีมมันมันจนให้ผมพูดไม่ถูกนะผมเอื่มมันจริงนะผมรู้สึกเ อ, อื่มในใจผมที่มันไม่ยอมรับความ มันไม่เคยว่ามันหลับมันขโมยหลับนะทุท่านท่านที่มันหลับท mm. nee, ุกขโมยหลับทุกคืนนี่ที่มันฝังใจผมจึงเอื่อมเห็นว่ามันไม่เป็นทด้มันไม่ฝังเกิดัาเป็นทรรแล้วก็เราก็ไม่เตือนเฉย่อรู้เขียนไปถึงไหนเงียบเงียบไปคืเดี๋ยวบางทีบางบ้านบ้านเสียหนอบ่กไปขึ้นไปเพราะรู้ีแล้วมันไม่เป็นธรรมไรหรือมึง ไฟสว่างจ้านี่คือลมมันพัดเขา้ามาแล้วน่นเพราะท่านบนมันไม่มีฝากันมันเป็นช่านอย่างนมีเฉยมีแต่ลูกโครงไปอยู่ลมพัดมานี่มาพัดเด็กไอไ ฟ, ไ ฟ, ไฟเด็กเรียนขายมันก็อณาติก้านั่นแหละมาตั้งหันข้ามนี่แล้วมันก็จุดไฟได้างดังนี้มันก็กระบุงกระบินอะไรกัไม่รู้ เอาไว้กลางค่างตั้งไว้กลางคอืงมันก็เป็นไหมขก็บุงเลทีไหมของบุงก็ไม้ไผ่สารโอ้ลูกขื่นมันจะแต่ทำไมมันมันรู้หรือมันจะไหมหัวมันก็ไม่รู้นะมันก็นอนกลางค่างนะต้อเสียคออมข้างวพอเงียบไปสักเดืียวก็แอบแอบเป็นไปดูไปดูคราวที่ไฟหายเงียบแล้วมันหดับ ตอนเช้าผมขึ้นไปดูแล้วกระบุงหมดไปครึ่งมันใหม่หมดไปครึ่งหนึ่งพอฉันางานเสร็จได้เราทำท่าว่าไม่รู้ไม่ชี้แหละทั้งความจริงเราไปดูอยู่ทุกระยะนี่ยัง ไ, ไงจันคืนมั่งเสียงคองคำคำไปไหเราไม่ได้ว่านะว่ามันขโมยหลับนะเขาไม่ยอมรับเ่ยจะไปว่าอะไร อ๋อผมเพิไปผมหนาวทั้งตอนโตค่อยไฟใหม่กระบุงอะไรแบบแบบรงพรอยอย่างมันนอนหลับขณะนั้นนี่มบวมขี่คุยโอ้ยฟ้าผมคุาพอมมันตายแล้วนี่ขี้คุยเหมือนพ่อมัอนพรอมเขบก็่ลงไส่ดิโอมเป็นทางเชื่อทางอันนี มันเป็นยแบงนี้พูดทั้งรับจากตะเกียงขอมี่พูดจริงๆนะมันไม่มีหระเอ็งรู้คือที่ว่ามันขโมยหลับนั่นคุมันฟังใจมันไม่เลี้ยงสามหมุที่ผมไปยพูดรับเราตอนเช้าทุกทีนบางวันก็สว่าง ออกจากที่ภาวนาแล้วออมาดัดเส้นดัดดัดท่านอหนหายให้ไปเลยมจันท บ, บุรีั่ที่เชียงใหม่จวนวันที่สองตื่นั้งแต่ีสองนอนวันนั้นมันรู้สึกเพลียห้าทุ่มนอนตอนปลับปามาัวงตีสามันก็ตื่นไื่นขึ้นดูหนังสือตืนเตลิดเลยจนตอนตห้าเหนื่อยมากเลย เหยียบสองหลหน่อยเหยียบเส้นหลับเลยนั่นข้างหนึ่งฉันไม่ทันสบาดคราวนั้นเดีแล้วมาเป็นอยู่ที่วัดนี่เหมือนเขามาหมายรัดหมาย ม, ม, ม, ม, มาไปอยู่ที่ไหนหมายที่ไหนเนี่ยคุยกปเรื่องถึงทองท่านถึองเที่ยวจังนู่นป่าทางเขามาคุยกันสองต่อสองแล้วารเรื่ยๆนึ่งคุยไปเรื่องตั้งแต่สองถุง จนกรทั่งตสี่คนที่วหน้านี่แล้วเนี่ยตีห้ามันสว่างอย่างเนี้ยอ้าวนี่มันจะสว่างแล้วเนี่ยตีสีตัวเนี้ไปไว้เร็ไปไปเราเอาอย่ามวางแล้วเราก็ดัดเส้นเนี่ยดัดท่านั้นทันเอาอย่ามบางเร า, เราคิดว่าดัดแล้วเราจะลงประเด็นกลมนะเพราะมันจะสว่างแล้วนี้แล้วดัดทานน่าหนาหนาไปแล้วใหญ่เลยจนกระทั่ง บุพเพนตบินสบาตกลับมาท่านนิ้ทองไปบ <ul bu f mucha> ุกนั่นถึงรู้น่ะท่าทองกับแกบขึ้นไปหน้าประตูสะดุ้งลุกขึ้นมาเออไปง่ายะพเพนินสบาตถึงไม่ได้บินสบาตรบอกวารีหาออยู่ไหรให้เขาบอกิีจันยังถึงไม่้บินสะบาตรถึงไม่ได้ยังเป็นบินสบาตรกลับมาเลยทั้งถึงต้องเหนือยต้องบอกว่าเพราอย่าง้นั่นผมเลยไม่ลืมนะเพราะผมไม่เคยเปลยน เป็นสามโห่เลยบวชมันนศาสนาบางทีเราเหมืหลับขโมยหลับจากตะโกนตะเกียงจากอะไรนึกขึีมันมีผมก็จําได้แต่ที่ดัดเส้นผมก็ไม่ได้จุดไฟเพราะมันสว่างอยู่ที่จันทร์ก็สว่างแล้วอยู่ที่นี่ไม่สว่างผมก็ไม่จุดไฟเพราะจะลงไปเดินอยู่แล้วเปิดไฟก็ตั้งแต่อยู่เชียงใหม่เชายใหม่ท่านเปฟ้าน่ะห้าแรงเทียนแล้วนั่นแหละ แรงเทียนสูงมากไปแค่สายตามีกันมั้งไม่ได้นอนดูหนังสือหน่อยนอนหลับไม่ดึกไม่นอนดูนัาา่งดูถ้าติดไฟจิดไว้กระดานเรียบมันไหม้กระดาน้างคนไหม้จีดไฟไหม้ไม่จีดไฟ เรื่องนี้ไม่เป็นแลยมเเห็นตะวีเห็นไฟสะวานเรื่องเห็นไปเพราะมันรับจากไฟบ่เนี่ยเข้ า, ามาตลอดเพราะว่าได้ผู้หลานดูหมากรเห็นสองตัวแต่ไม่ได้ดูด้านที่ยิ้สายไปจากทางมองไปจาง ก็เข้าใจว่า <ondan> มันม <issions> wow, wow, wow. wow, ่งย่ยังเข้าใจมันหงออยู่ข้างในว้าวหงอยคนนั้ทํทพ่กว่าตัวเป็นแบบนี้เหอหก่งเนี่ยตัวนี้ได้ตัวจะคิดไปด้าน้ไคิดว่ามันหออยู่ข้างบนว้าวเสียหอเสียมนองพอย มัดอย่มีไฟจินๆแล้วมันนอนในกรงมันพูดมรืนอนใต้กรงคูดเลยเหรอือนอนในกรงฮะนอนในกรงแล้วมันร้องไหมล่ะมันร้องตอนปีสองนปะป้าก็เอามาใส่ที่แรกมันร้องไหมอย่าเป็นเพนพั น, น, นๆเดินเด่นดั น, นๆให้คว้ามใจนะผมเคยพูดเสมอผมไม่เห็นอะไรสําคัญยิ่งของการภาวนาแม้แตมีการงานอะไรครับ มีกำหนด ก, กฎเกณน้ ม, มันมีขึ้นมาก็ให้มีช่วระยะการที่จำเป็นเห็นว่าจำเป็นในกินนั้นโดยเฉพาะเท่านั้นเราไม่เห็นเป็นความจำเป็นตลอดไปเหมือนพอมา า, าการแกการดับฟืนดับไฟภายในหัวใจาการขาดจากภาวนาขาดจากนี้มันก็ไปติดต่อสังสมทั้งไม่ดีสังสมปีนไฟขึ้นมาเผาเจ้าของหน้าของการภาวนาก็เหมือนกาดับฟืนดับไฟใครจะไปเห็นโทษของีิเลร นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอาหารท่านตรงนไม่รู้โทษของมันมันละเอียดขนาดไหนฟังมห้ดีนะรักมันก็พอใจนั่นความกล่อมของมันความรักก็คือการกล่อมของมันการกล่อมของดีให้ติดใจช่างเกลียดโกรธก็เป็นเพีงกล่อมของมัน ให้ติดใจทั้งนั้นไม่งั้นคนเราพอใจร้องห่มร้องไห้ได้ไหร้องไห้จนตาดำตาแดงน้ำตาจนด้วยมีเหลือในร่างมันก็นยังพอใจร้องห้ร้องไห้แล้เหยียดไหมกิเลสดูดิเพราะไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งมั น, นมีแต่มันออกหน้าออ ก, ากอาตาอะไแสดงขึ้นมาจึงติดหมดหลงหมดไม่รู้ตัวเลยจมมิดไปเลย จะได้สะดวกใจคิดนี่มันควรหรือเปล่าการปวดมันควรหรือเปล่ามันเป็นสู่ก็เป็นทุกข์นั้นไม่ได้คํา น, นึงทุกข์มันก็ยอมแบกบด้วยความติดของมันความเชื่อของมันเชื่อแย่เหลือท้ายทุกข์ละเอียดหมายลกักลอบเกลียกยงแตรื่อนี้ไม่มีแต่เรื่องนี้อยากกี่ครั้งอันตร ทอเหนนี่เป็นเรื่องที่เหล็กเพลงมังีเหล็กกล่องทั้งนั้นหลับไปทั้งนั้นไม่มีจะสะดุดใจอะไรบอกเป็นโทษว่าผิดโน่นให้มีทำขึ้นมาแทรกกันโน่นอย่างทำขึ้นมาแทรกมากนอะนเริ่องห่นคุณค่าทีหนึ่งเห่งคุณค่า ความสมงบเยนใจก็คือความสุขเกิดเป็นจากความเยงใจมันก็เห็นโทษของความพุงสังง่นแหนะมันมันมันเป็นคู่แข่งกันอย่างนั้นเพียงความสมงบปรากฏขึ้นเป็นขั้งกราวทั้งนั้นมันยังเห็นโทษของความพุงสั่นอุ่นบาดของจิตแล้วรสของธรรมแทรกขึ้นมาเพลงของธรรมแทรกขึ้นมาเพองของสุขลดเห็นโทษ เป็นลำดับลำดาลำดับลำดาไปเลยม่งั้นท่านจะท่านจะเห็นภไยในวัดตายหรอกําลังนี่ก็เป็นแ้่กําลังของธรรมมีมากเป็นเท่าไรก็เส็นคุณค่าขึ้นมากก็เห็นพของกิเลสมากเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันจนถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรจะยอมให้กิเลสตัวใดข้างบนหัวใจได้เลยเพราะมันเป็นพืนเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นน่ะ นอกจากเอาให้มบไรรลัยไปจะหมดไปไม่มีเหลือเลยอย่างหายเดียวแล้วนั้นจึงจะดูดไดอยู่ได้ถ้าชีวิตยังมีอยู่แล้วยังไงก็ไม่ถอยเอาให้ตายด้วยกันเลยนั่นนั่นนะที่ว่าความเพียรนันแก่กล้าอย่างพระโสดนะประกอบความเพียเรเดินยังกรมเดินตาท้าแตกไม่ใช่เป็นการกดขี่บงังคับให้เดินนะเป็นเพราะความเพลินของจิตในขั้นที่เพลินในความเพียรดื่มเบลลัมเวลาดื่ม เก็บริมปวดเืมแสบรืมร้อนไปหมดในาวายรัส่วนร่างกายพราะจิตมันหงุดหงิดกับธรรมต่อสู้กับกิเลสที่เป็นตัวไผยมหาไผ่พราะอำนาจของธรรมอา น, นาจของธรรมเนื้อกว่าแล้วมัฟาดกันฟาดกั น, ก น, กนลืมไปลรื่อเวลาเนยนั่นที่หนึ่งมีคู่แข่งกันแล้วนี่ยมมีธรรมขึ้นหมันกันเป็นคู่แข่งของกิเลสรถของธรรมเหนือกิเลสนั่นก่อนไม่เห็นโทษของกิเลส มื่คุณค่าของทําและปรากฏขึ้นในใจมันก็เห็นคุณค่านี้แล้วก็เห็นโทษมันเรื่อยเลขนาดเป็นตายไม่เลยมีคําว่าถอยตายไปด้วยกันเลยคําว่าแพ้ไี่มีไม่ได้มีไม่ได้ทา ย, ทายเดียวเท่านั้นแล้วขั้นเป็นแลาเป็นอย่างนั้นแต่ขนมันกล่อมมันกล่อมจริงๆไม่รู้เลยนี่ฟางกันจําไว้นะปฏิบัติแล้วนะ ผมตายไปแล้วคํานี้ยังจะกังวลยนนังมีหัวใจทำทั้งหลายถ้าทั้งหลายทำใจคือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สอนเนี่ยจะไม่เป็นอย่างอื่นคาพูดคํานี้จะกังวาลยังมีหัวใจทำทั้งหลายเมื่องไปเจอเข้าไปเจอเข้าไปมิไม่ได้พูดมาแบบดุ่นด้นเดานั้นทุกเคยเจอมาซะพอเป็นแต่ตายอาจิตไม่แล้วทุกพราะปีตัญหาเวลาต่อสู้มันจะต่อสู้ซะพอเหมือนกัน เห็นขนาดที่ว่าอาตายก็ตายไม่ตายให้ช น, นาไาย่ยาเท่านั้นคําว่าแพ้นี่มีไม่ได้ในชีวิตนี้นุ่นถึงอย่างนั้นก็ได้เป็นแต่จะรู้หรือไม่รู้ผลมันก็เนื่อยไงนั้นก็ได้เท็่ยงข้างจนหมดพุ่มนั่ม่ใช่ที่ไม่กันเป็นเพราะมันบรรยายของอ๋อ